จเจริญอิทธิบาสีประการพวกเทพชั้นเดาวเดืงผู้จเจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติอิธิบาสีประการนี้แม้ที่ทรงบัญญัติไว้อย่างดีก็เพียงเพื่อเพิ่มพูนความสําเร็จเพื่อให้ชํานาญในเรื่องความสําเร็จเพื่อพลิกแปลงให้เกิดความสําเร็จอิธิบาสีประการอะไรบ้างคือ ที่สุในธรรมวินยัยนี้ 1. เจริญอิธิบาทคือชั้นทะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากชั้นทะและความเพียรสร้างสรรค์ 2. เจริญอิธิบาทคือวิริยะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์ 3. เจริญอิธิบาทคือจิตตะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากจิตตะ และความเพียรสร้างสรรค์ 4. เจริญอิธิบาทคือวิมังสาสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติอิธิบาสีประการ น, นี้แลเพื่อเพิ่มพูนความสําเร็จเพื่อให้ชํานาญในเรื่องความสําเร็จเพื่อพลิกแปลงให้เกิดความสําเร็จท่านผู้เจริญ ใ, ในอด <ock> ีตการได้มีสมณะหรือพรามพวกหนึ่งได้อิทธิวิทยาหลายอย่างเพราะเจริญเพราะเพิ่มพูนอิทธิบาสสีประการนี้ในอนาคตการจกมีสมณะหรือพรามพวกหนึ่งได้อิทธิวิทยาหลายอย่างเพราะเจริญเพราะเพิ่มพูนอิทธิบาสสประการนี้ในปัจจุบันก็มีสมณะหรือพรามพวกหนึ่งได้อิทธิวิทยาหลายอย่างเพราะเจริญเพราะเพิ่มพูนอิทธิบาสีประการนี้ พวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญไม่เห็นฤทธิ์และอนุภาพเช่นนี้ของเราหรือพวกเทพชั้นดาวดึงกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะสนางกุมารพรมตรัสว่าเรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ก็เพราะเจริญเพราะเพิ่มพูนอิธิบาสีประการนี้เหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนางกุมารพรมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วจึงรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดืงมา ตรัสว่าวิธีการบรรลุโอภาสาามประการพวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสช่องว่างสามประการก็เพียงเพื่อให้ถึงความสุขวิธีการบรรลุโอกาสสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ยังเกี่ยวข้องด้วยการมเกี่ยวข้องด้วยอภุสุลธรรมอยู่ต่อมาเขาฟังธรรมของพระอริยะมานสิการโดยแยกขายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเขาอาศัยการฟังธรรมของพระอริยะ อาศัยการมานุษย์การโดยแยกขายอาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมสุขย่อมเกิดขึ้นโสมนัสยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นแก่เขาผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยการมไม่เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมท่านผู้เจริญความปราโมทเกิดจากความเบิกบานใจแม้ฉันใดสุขย่อมเกิดขึ้นโสมนัสยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้น จากความบันเทิงใจแก่เขาผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมอยู่ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสที่หนึ่งนี้เพื่อให้ถึงความสุข 2. บุคคลบางคนในโลกนี้มีกายสังขารอย่างหยาบยังไม่สงบระงับมีวจีสังขารอย่างหยาบ ยังไม่สงบระงับมีจิตสังขารอย่างหยาบยังไม่สงบระงับต่อมาเขาฟังธรรมของพระอริยะมานิการโดยแยก่ายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเขาอาศัยการฟังธรรมของพระอริยะอาศัยการมนจิการโดยแยก่ายอาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกายสังขารอย่างหยาบย่อมสงบระงับวจีสังขารอย่างหยาบย่อมสงบระงับ จิตตาสังขารอย่างหยาบย่อมสงบระงับเพราะกายสังขารอย่างหยาบสงบระงับวจีสังขารอย่างหยาบย่อมสงบระงับจิตตาสังขารอย่างหยาบย่อมสงบระงับสุขย่อมเกิดขึ้นโสมนัสยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นแก่เขาท่านผู้เจริญความปราโมทเกิดจากความเบิกบานใจแม้ฉันใดท่านผู้เจริญเพราะกายสังขารอย่างหยาบสงบระงับ เพราะวจีสังขารอย่างหยาบสงบระงับเพราะจิตตสังขารอย่างหยาบสงบระงับสุขย่อมเกิดขึ้นโสมนัสยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นชันนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสที่สองนี้เพื่อให้ถึงความสุข 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นอกุศลไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งมีโทษไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่มีโทษไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งควรเสพไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่ควรเสพไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นสิ่งเลวไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งประณีตไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งดำสิ่งขาวและสิ่งมีส่วนเปรียบต่อมาเขาฟังธรรมของพระอริยะมนศิการโดยแยกคายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรม ร, รมเขาอาศัยการฟังธรรมของพระอริยะอาศัยการ ม, มารณาารโดยแยกคาย อาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นอกุศลย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งมีโทษย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่มีโทษย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งควรเสพย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่ควรเสพ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งเลวย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งประนีตย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งดำสิ่งขาวและสิ่งมีส่วนเปรียบเมื่อเขารู้เห็นอย่างนี้ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเพราะอวิชาดับลงเพราะวิชาเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นโสมนัตยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้น ท่านผู้เจริญความปราโมทเกิดจากความเบิกบานใจแม้ฉันใดเพราะอาวิชชาดับลงเพราะวิชาเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นสมนัตยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสที่สามนี้เพื่อให้ถึงความสุขท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสสามประการนี้แลเพื่อให้ถึงความสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรหมไดตรัสเนื้อความนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่า สติปฐานสี่ประการพวกเทพชั้นเดวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติสติปฐานสี่ประการนี้แม้ที่ทรงบัญญัติไว้อย่างดีก็เพียงเพื่อให้บรรลุ ก, กุศลธรรมสติปฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิสษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบย่อมผ่องใสโดยชอบในกายานุปัสสนานั้นพิสษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบผ่องใสโดยชอบในกายานุปัสสนานั้นแล้ว ก็ย่อมบังเกิดมียานทัศนะในกายอื่นภายนอก 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบย่อมพ่องใสโดยชอบในเวทนานุปัสนานั้นภิกษุนั้น ตั้งจิตมั่นโดยชอบพองใสโดยชอบในเวทนานุปั ส, สนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมีญาณาัศนะในเวทนาอื่นภายนอก 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบ ย่อมพองสายโดยชอบในจิตตานุปัสสนานั้นภิกษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบพองสายโดยชอบในจิตตานุปัสสนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมียานัทสนะในจิตอื่นภายนอกสี่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบย่อมพองใสโดยชอบในธรร ม, มานุปัสสนานั้นภิกษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบพองใสโดยชอบในธรร ม, มานุปัสสนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมียานัศนะในธรรมอื่นภายนอกท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญยัติสติปฐานสี่ประการนี้แลเพื่อให้บรรลุบุศสละธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนางกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าบริขารแห่งสมาธิเจประการ พวกเทพชั้นเดวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติบริขารแห่งสมาธิเจ็ประการนี้แม้ที่ทรงบัญญัติอย่างดีก็เพียงเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิบริขารแห่งสมาธิเจ็ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ สสัมมาสังขปะดำริชอบสสัมมาวาจาเจรจาชอบสสัมมากรรมตะกระทําชอบ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ7สัมมาสติระลึกชอบท่านผู้เจริญทั้งหลายสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวซึ่งมีองค์เจตประการ น, นี้แวดล้อมเรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิที่มี อุปนิสสะบ้างว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีบริคารบ้างท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิจึงมีสัมมาสังกัปปะผู้มีสัมมาสังกัปปะจึงมีสัมมาวาจาผู้มีสัมมาวาจาจึงมีสัมมากรรมตะผู้มีสัมมากรรมตะจึงมีสัมมาอาชีวะผู้มีสัมมาอาชีวะจึงมีสัมมาวายามะ ผู้มีสัมมาวายามะจึงมีสัมมาสติผู้มีสัมมาสติจึงมีสัมมาสมาธิผู้มีสัมมาสมาธิจึงมีสัมมายานะผู้มีสัมมายานะจึงมีสัมมาวิมุตติท่านผู้เจริญทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงองค์ธรรมใดว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนประตูแห่งอมะตะจึงจะชื่อว่าเปิดแล้วบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงองค์ธรรมที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แลวว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว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 ชนเหล่าใดประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไห้ในพระพุทธประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไห้ในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไห้ในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจชนเหล่านี้เป็นโอปปาติกะเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนําให้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเป็นชาวมคตมีจํานวนมากกว่าสองล้านสี่สคน ผู้เคยบำรุงพระรัตนตรยัยล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอันหนึ่งในชนจำนวนนั้นผู้ที่เป็นพระสกะทาคามีก็มีอยู่ข้าพเจ้ากลัวการพูดเท็จจึงไม่อาจคิดคำนวณว่าในจำนวนนั้นเหล่าชนนอกนี้ เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วเมื่อสนังกุมารพรหมตรัสเนื้อความนี้อยู่ท้าวเวสว ร, รมหาราชทรงดำริอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏจากมีพระาศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้จากมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเช่นนี้จากปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้ ลำดับนั้นสนังกุมารพรมทรงทราบ พ, พระดําริของท้าวเวสสวรมหาราชด้วยพระทยจึงตรัสกับท้าวเวสสวรมหาราชดังนี้ว่าเวสสวรมหาราชผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรในอดีตการก็ได้มีพระศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้ได้มีการแสดงธรรมที่ยิ่งเช่นนี้ได้ปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้ ถึงในอนาคตการก็จะมีพระศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้จกมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเช่นนี้จะปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้สนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แก่พวกเทพชั้นดาวดึงแล้วท้าวเวสวรรมหาราชทรงนำเนื้อความนี้ที่ได้ทรงสดับรับมาเฉพาะพระพักของสนังกุมารพรหมผู้ตรัสแก่พวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสบอกแก่บริษัทของพระองค์ ชนะวสพยักษ์นำเนื้อความนี้ที่ได้สดับรับมาเฉพาะพระภักของท้าวเวสสวรมหาราชที่ตรัสแกรบริษัทของพระองค์เมื่อกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับรับเนื้อความนี้มาเฉพาะหน้าของชนะวสพยักษ์ด้วยทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองด้วยแล้วตรัสบอกแกท่านพระอานนุ์ ท่านพระ อ, อนนต์ได้สดับรับเนื้อความนั้นมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคและบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพรหมจันทร์นี้นั้นจึงบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทพและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ชนววสภสูตรที่หจบ มหาโควินทสูตรว่าด้วยมหาโควินทพรามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิชฌูเขตกรุงราชครืครั้งนั้นปัญจะศิขะคันทับบุตรเมื่อราตรีผ่านไปมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วภูเขาคิชฌูเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะขอกราบทูลข้อความที่ได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพวกเทพชั้นดาวดึงแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเชิญบอกเราเถิดปัญจสิกขะ เทวสภาปัญจะิกขะคันทับบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วในคืนเพนวันอุโบสถส5ห้าค่ำอันเป็นวันปวารณาพวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิน้นนั่งประชุมกันในสุธรร ม, มาเทวสภามีเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบเท้าจากตุมหาราชประทับอยู่ในทิศ ท, ทั้งสี่คือหนึ่งทิศตะวันออก มีเท in ้าทตะรธมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันตกมีพวกเทพอยู่เบื้องหลังสองทิศใต้มีททาวิรุณหกมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศเหนือมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า 3. ทิศตะวันตกมีท้าวิรูปักมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า สทิศเหนือมีท้าเวชวานมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศใต้มีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าเมื่อครั้งที่พวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมมาเทวสภามีพวกเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบมีเท้าจารุมหาราชประทับอยู่ในทิศทั้งสนี้เป็นธรรมเนียมในการนั่งของเท้าจาตุมหาราชข้างหลังถัดออกมาเป็นที่นั่งของข้าพระองค์ทั้งหลาย เทพเหล่านั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคแล้วเดี๋ยวนี้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวั น, นและยศในว่าด้วยเหตุนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปิติและสมนัสว่าท่านทั้งหลายมูเทพเจริญเต็มที่มูอสูญเสื่อมถอยไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้น ท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอิน์เป็นประธานถวายมณสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมเมื่อเห็นเทพเหล่าใหม่ผู้มีวันณและยศผู้เคยประพฤติพรหมจรรย์นในพระสุคตซึ่งมาณะที่นี้ด้วยก็พากันบันเทิงใจนะับ เทพเหล่านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระปัญญา ก, กว้างขวางดุดแผ่นดินทั้งหมดเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นในที่นี้ด้วยวันณนะยศและอายุพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอิน์เป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วพากันเพลิดเพลินถวายมนฑส ก, การพระตถาคตและความดีของพระธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในว่าเพราะเหตุนั้น พวกเทพชั้นดาวดึงจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปีติและโสมนัสสุดจะประมาณได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายมูเทพเจริญเต็ ม, ตมที่มูอสูญเสื่อมถอยลง พระคุณตามความเป็นจริงแปประการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นเดวดึงจึงรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นเดวดึงมาตรัสว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายท่านปรารถนาจะฟังพระคุณตามความเป็นจริงแปประการของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นไหมพวกเทพชั้นเดวดึงกราบทูลว่า พวกข้าพระองค์ปรารถนาจะฟังพระคุณตามความเป็นจริงของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นพระเจ้าข่าทีนั้นเท้าสักกะจอมเทพทรงประกาศพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคแก่พวกเทพชั้นดาวดึงว่าเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไรหนึ่งตราบเท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้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 ถึงบัตรนี้เราก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 2. พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินโยชนพึงรู้เฉพาะตนเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ ผู้ทรงแสดงธรรมที่ควรน้อมเข้ามาอย่างนี้ในอดิตการเลยถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นสามพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ดีแล้วว่านี้เป็นกุศลทรงบัญญัติไว้ดีแล้วว่านี้เป็นอกุศลทรงบัญญัติไว้ดีแล้วว่านี้เป็นสิ่งมีโทษนี้เป็นสิ่งไม่มีโทษ นี้เป็นสิ่งควรเสพนี้เป็นสิ่งไม่ควรเสพนี้เป็นสิ่งเลวนี้เป็นสิ่งประณีตนี้เป็นสิ่งดำสิ่งขาวและสิ่งมีส่วนเปรียบเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงบัญญัติธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นสิ่งมีโทษเป็นสิ่งไม่มีโทษเป็นสิ่งควรเสพเป็นสิ่งไม่ควรเสพเป็นสิ่งเลวเป็นสิ่งประณีตเป็นสิ่งดำสิ่งขาวและสิ่งมีส่วนเปรียบ อย่างนี้ในอดีตการเลยถึงในบัดนี้เราก็มีเห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นสี่ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงพระนิพพานที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแกสาวกทั้งหลายพระนิพพานและข้อปฏิบัติย่อมเหมาะสมกันน้ำจากแม่น้ำคงคากับน้าจากแม่น้ำยมุนาย่อมกลมกลืนกันได้เข้ากันได้แม้ฉันใด ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงพระนิพพานที่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลายพระนิพพานและข้อปฏิบัติย่อมเหมาะสมกันชันนั้นเหมือนกันเราไม่เคยเห็นพระาศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานอย่างนี้ในอดีตการเลยถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้น 5. พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงได้พระเสขะทั้งหลายผู้ยังต้องปฏิบัติและพระขีนาศพทั้งหลายผู้อยู่จบโปรมจาจันแล้วเป็นพระสหายแต่ไม่ทรงติดท่านเหล่านั้นทรงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมที่ยินดีการอยู่ผู้เดียวเราไม่เคยเห็นพระาศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมที่ยินดีการอยู่ผู้เดียวอย่างนี้ในอดีตการเลย ถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นหกพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงมีลาบเกิดขึ้นมากมายทรงมีคำสรรเสริญเกิดขึ้นแพร่หลายเห็นจะเทียบกับกษัตริย์ทั้งหลายผู้มีพระสิริโฉมสง่าน่ารักแต่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเสวยพระกลยาหารอย่างปราศจากความมัวเมาเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ สเสวยพระกรยาหารอย่างปราศจากความมัวเมาอย่างนี้ในอดีตกาลเลยถึงในบนัดนี้เราก็มีเห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 7. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีปกติตรัสอย่างไรก็ทรงทําอย่างนั้นทรงมีปกติทําอย่างไรก็ตรัสอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ทรงมีปกติตรัสอย่างไรก็ทรงทําอย่างนั้น ทรงมีปกติทำอย่างไรก็ตรัสอย่างนั้นเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์ุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้ในอดีตการเลยถึงในบัตรนี้เราก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 8. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงข้ามความสงสัยปราศจากความแคลงใจผู้จบสิ้นความดำริด้วยอาทิพรหมจันทร์ อันเป็นไปตามอัจฉริยาสัยเราไม่เคยเห็นพระาศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงข้ามความสงสัยปราศจากความแคลงใจจบสิ้นความดำฤทิด้วยอาธิพุทมรรจันทร์อันเป็นไปตามอัจฉริยาสัยอย่างนี้ในอดีตการเลยถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น แต่พระองค์ผู้เจริญเท้าศักกะจอมเทพทรงประกาศพระคุณตามความเป็นจริงแปดประการนี้ของพระผู้มีพระภาคแก่พวกเทพชั้นดาวดึงในว่าเพราะการประกาศนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงครั้นสดับพระคุณตามความเป็นจริงแปดประการของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปิติและสมนัสุจรประมาณได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในจำนวนเทพเหล่านั้นเทพบางเหล่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นิรุกุกทั้งหลายขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสี่พระองค์และทรงแสดงธรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเถิดหนาเพราะการเสด็จอุบัติขึ้นและการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เพื่อเครือขูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทพบางเหล่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสีพระองค์จงยกไว้ก่อนเถิดขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสามพระองค์และทรงแสดงธรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเถิดหนอเพราะการเสด็จอุบัติขึ้นและการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 ท่านผู้นิรุตุกทั้งหลายนั่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่พระอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังพร้อมกันฐานะอย่างนี้มีไม่ได้เลยท่านผู้นิรุกข์ทั้งหลายขอให้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงมีโรคาพาธน้อยดารงอยู่ยิ่งยืนนานเถิดหนอเพราะการที่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้น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 คิดพิจารณากันในสุธรรมมาเทวสภาแล้วก็ยังดาเนินการในเรื่องนั้นอยู่ทั้งได้รับคำแนะนำที่พวกเทพชั้นดาวดึงตามพร่ำสอนเฉพาะแล้วก็ทรงดาเนินการในเรื่องนั้นอยู่และต่างยังคงประทับ ย, ยืนอยู่ณนะที่ประทับของตนของตนไม่ยอมจากไปเท้าจาตุมหาราชเหล่านั้นได้รับคำบอกแล้วทั้งได้รับคาแนะนาแล้วจึงมีพระไทยผ่องใส ระทับยืนสงบอยู่ณนะที่ประทับของตนของตนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลได้เกิดแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นทางทิศเหนือปรากฏโอภาษ์เกินเทวานุภาพของเทพทั้งหลายที่นั้นท้าวศักกะจอมเทพรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวเ ด, วดืองมาตรัสว่าท่านผู้นิรุตุกทั้งหลายมีนิมิต ท, ที่สังเกตได้คือแสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสปรากฏขึ้น พระพรหมก็จะปรากฏองค์ขึ้นเพราะการที่แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาษปรากฏขึ้นนี้จะเป็นบุพพนิมิตแห่งการปรากฏของพระพรหมเมื่อมีนิมิตที่สังเกตได้พระพรหมก็จะปรากฏองค์ขึ้นเพราะโอภาษอันเจอจ้ายิ่งเป็นนิมิตแห่งพระพรหม เรื่องสนังกุมารพรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงนั่งอยู่บนอาสนะของตนของตนกล่าวว่าพวกเราจะรู้โอภาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไปแม้เท้าจาตุมหาราชประทับนั่งอยู่บนที่ประทับของตนของตนก็กล่าวว่าพวกเราจะรู้โอภาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไป พวกเทพชั้นดาวดึงส์สดับเรื่องนี้แล้วเข้าฌานสงบอยู่ด้วยคิดว่าพวกเราจะรู้โอภาษนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสนางกุมารพรหมป ร, รากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึง์พระองค์ทรงเนรมิตอัตภาพให้ยาปรากฏขึ้นเพราะรูปร่างปกติของพรหมไม่อาจปรากฏในคลองจักสุของพวกเทพชั้นดาวดึง์ได้ เมื่อสนางกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวันนะและยศร่างกายที่เป็นทองคําย่อมงดงามเกินร่างกายมนุษย์ฉั้นใดเมื่อสนางกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวันนะและยศชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อสนางกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดืง ในเทพบริษัทนั้นเทพบางองค์ไม่ไว่ายไม่ต้อนรับไม่เชิญด้วยอาสนะทั้งหมดพากันนั่งขัดสมาธิประนมมือนิ่งอยู่ด้วยคิดว่าบัดนี้สนังกุมารพรมจะประทับนั่งบนบันลังของเทพที่พระองค์ปรารถนาสนังกุมารพรมประทับนั่งบนบันลังของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความสมนัตอย่างยิ่ง ผู้กษัตราธที่ราชผู้ได้รับโมรทาพิเศษแล้วเพิ่งจะได้ครองราชทรงได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความสมนัติอย่างยิ่งชั้นใดสนังกุมารพรมประทับนั่งบนบัรลางของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นก็ได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความสมนัติอย่างยิ่งชั้นนั้นเหมือนกันจากนั้นเมื่อสนังกุมารพรมทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ทรงหายตัว แล้วอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นเดวดึงมีพระอินท์เป็นประธานถวายมณัจการพระตถาคตและความดีของพระธรรมเมื่อเห็นเทพเหล่าใหม่ผู้มีวั น, นะและยศผู้เคยประพฤติพรหมจรรย์นในพระสุคตซึ่งมาณที่นี้ด้วยก็พากันบันเทิงใจนักเทพเหล่านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดิน ทั้งหมดเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นในที่นี้ด้วยวันนะยศและอายุพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินเป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วพากันเพลิดเพลินถวายมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรม เสียงของสนังกุมารพรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรมได้ตรัสเนื้อความนี้ขณะที่สนังกุมารพรมตรัสเนื้อความนี้มีเสียงประกอบด้วยองค์8ประการคือหนึ่งแจ่มใสสองชัดเจนสนุ่มนวลสี่ชวนฟังห้ากลมกลม่อม6ไม่พลาดเจลึกซึง้ง 8. กลางวานสนังกุมารพรเปล่งเสียงให้รู้กันเฉพาะในบริษัทเท่านั้น เสียงของสนังกุมารพรมนั้นไม่ได้ดังออกไปภายนอกบริษัทผู้มีเสียงประกอบด้วยองค์แปประการอย่างนี้เรียกว่ามีเสียงเหมือนเสียงพรหมครั้งนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงได้ทูลสนังกุมารพรหมดังนี้ว่าขอโอกาสเถิดท่านเท้ามหาพรหมพวกเราทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเบิกบานใจอันหนึ่งเท้าสักกะจอมเทพ ได้ตรัสพระคุณตามความเป็นจริงแปดประการของพระผู้มีพระภาคไว้พวกเราทราบแล้วก็เบิกบานใจ